This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกระติชนรัศมีมณีนินก็มาประจำการพร้อมกับเรื่องดีๆให้คุณได้ฟังเช่นเคยนะคะวันนี้เริ่มเรื่องใหม่ค่ะเป็น และไม่ได้ยายขนาดสั้นนะคะชื่อว่า Animal Farm ผลงานการเขียนของ George Orwell คุณได้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ฟังจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าอาจจะเคยได้อ่านหรือว่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างหรือว่าบางท่านอาจจะเคยอ่านซะด้วยซ้ำนะคะ Animal Farm ์มเป็นนวัดิยายแนวเสียสีการเมืองเผด็จการแบบสหาภาพโซเวียตบรเซียในช่วงก่อนที่ยังไม่ได้แตกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างในปัจจุบันจอร์ดออเวลเขียนเรื่องนี้เพื่อที่จะสะท้อนการเมืองที่มีการกดขี่ชนชั้นกรรมอาชีพและด้วยความหวาดกลัวในเผด็จการคอมมิวนสิสต์ เป็นวรรณกรรมในแนวเสียสีการเมืองนะคะเป็นนวนิยายขนาดสั้นตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี2488ค่ะนวนิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซียและการครองอำนาจของสตาลินโดยใช้สัตว์เป็นตัวดำเนินเรื่อง Animal f a r ร์มได้รับการยกย่องจากนิตยสารถามให้เป็นหนึ่งในนิยายภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด100เรื่องในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2466ถึง2548ค่ะแล้วก็ติดในอันดับที่31ของรายชื่อนิยายที่ดีที่สุดในคริสตศตวรรษที่20ของสำนักพิมพ์ Modern Library นะคะแล้วก็ได้รับการดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆจำนวนมาก Animal f a าร์มได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหลายสำนวนค่ะตั้งแต่ปี 2,502 จนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็มีการตั้งชื่อในภาษาไทยหลายชื่อด้วยกันเช่นฟาร์มเดรชานแปลโดยหม่อมหลวงนิพาพานุมาในปี 2,502 สัตว์วรัตแปลโดยอุทุมพรปานินสำนักพิมพ์แพรพิทยาปี 2,515 การเมืองของสัตว์แปลโดยวิเชียนอันติชาตการสํานักพิมพ์เครดไทยปี2518อ n นิม l f ฟาร์มแปลโดยสุพรรงเผ่าพันเลิศสํานักพิมพ์แพรพิทยา2518ฟาร์มสัตว์แปลโดยสายทานสํานักพิมพ์ประพันสารรัฐสัตว์แปลโดยเกียรติขจรชัยแสงสุขกุลสํานักพิมพ์มติชนปี2544 Animal f ฟารมแปลโดยพันเอกด็อเตอร์ชัยพฤกษ์ปีหลกสิริสำนักพิมพ์ Good Morning ปี2549 mm hmm. แล้วก็ a n i m ม l f ฟ r ร์มสงครามกบฏของสัพสัตแปลโดยบัญชาสุวรรณนนท์สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นนะคะปี2555แล้วก็เป็นเล่มที่ดิฉันใช้เป็นหลักในการเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังจอร์ดอเวล เขียนนิยายเรื่องนี้ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี2486ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2487ค่ะซึ่งในขณะนั้นอังกฤษกำลังเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็คนอังกฤษในยุคนั้นส่วนใหญ่ต่างก็ยกย่องสตาลินแต่ว่าจอร์ดอเวลเนี่ยไม่ชอบใจในเรื่องดังกล่าว ก็เลยเขียนเรื่องนี้เป็นแนวเสียดสีตอนแรกเห็นบอกว่าไปเสนอสำนักพิมพ์แต่ต้นฉบับถูกปฏิเสธหลายครั้งค่ะแต่ภายหลังเรื่องนี้กลับได้รับความนิยมแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอ น, นิจจ์นะคะความสัมพันธ์ทางการเมืองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะเปลี่ยนแปลงไป เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นเดียวกันในส่วนของจอร์จออเวลนั้นนะคะก็เป็นนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางค่อนไปในทางต่ำค่ะก็คือไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรผ่านประสบการณ์ชีวิตในสังคมชนชั้นที่หลากหลายเคยเรียนหนังสือในโรงเรียนของชนชั้นสูง เคยรับราชการเป็นตำรวจซึ่งไปประจำการในพมา่าเคยทำงานใช้แรงงานเคยสอนหนังสือเคยเป็นนักข่าวเปลี่ยนงานไปมาหลายครั้งค่ะแล้วก็ทําให้มีประสบการณ์ <c oughs> เกี่ยวกับการกดขี่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองคือได้รับรู้เรื่องราวของมนุษย์ที่บางครั้งก็กระทำต่อ ก, กันและกันเอง <c oughs> แม้กระทั่งในกลุ่มคนที่ถูกกดขี่มาอีกทีนึง แต่ก็จะมีการกดขี่ซ้ำซ้อนกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ว่ากันว่าในช่วงที่เป็นนักข่าวนี้เองค่ะเขาเขียนนวัตยายยเรื่อง Animal Farm เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่ได้รับการยอมรับนะคะ ที่บอกว่าสำนักพิมพ์บางแห่งเนี่ยไม่ยอมไม่ไม่สนใจนะไม่รับพิมพ์แต่ว่าตอนหลังก็กลายมาเป็นวรรณกรรมอมตะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆก่อนกันละกันนะคะว่า uh, Animal f a r รเนี่ยเป็นนวนิยายที่ผู้ประพันธ์สมมุติตัวละครเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฟาร์มแห่งหนึ่ง ชื่อว่าไรแมนเนอร์มีชาวนาขี้เมาเป็นเจ้าของเป็นคนที่ละเลยและก็ไม่ค่อยจะรับผิดชอบและก็ไม่ใส่ใจในการดูแลบรรดาสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคิดที่จะรวมตัวกันปฏิวัติขึ้นมาโดยมีผู้นำเป็นหมูสองตัวก็คือเจ้าสโนโบอลกับเจ้านโปเลียนที่เป็นคน จริงๆต้องใช้คำว่าเป็นตัวนะอ่าเป็นตัวปรุก ป, ปันอ่าแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้บรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยเห็นดีเห็นงามในการที่จะปฏิวัติยึดอำนาจจากชาวนาที่เป็นเจ้าของฟาร์มเรื่องนี้สนุกค่ะก็เลยอยากจะเล่าให้คุณได้ฟังนะคะกับบรรยากาศการเมือง โดยเฉพาะในบ้านเราเองการเมืองบ้านเราก็ยังคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆและเราเองก็เพิ่งจะผ่านการเมืองผ่านการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาใช่ไหมคะจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะทุกๆวันก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนอย่างไร ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นอนนะคะก็ลองฟังเรื่องนี้ว่าการเมืองใน Animal Farm ์มันจะหนักหนาสาหัสมันจะวุ่นวายขนาดไหนและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าโครงเรื่องของ Animal Farm ์ ถึงแม้ว่าจะเขียนเอาไว้นานแล้วแล้วก็ผ่านการบ้านการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะเรื่องราวแบบนี้ก็ยังคงทันสมัยแล้วก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอคือไม่ว่าการเวลาจะผ่านแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเรื่องราวแบบใน Animal Farm มเนี่ยก็เป็นโครงที่แบบเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะเพียงแต่ว่าตัวละครแตกต่างไปเท่านั้นเอง เอาละค่ะคุณได้ฟังครับเรื่องราวใน Animal Farm มจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ที่จะนำเสนอให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นตอนแรกกับ Animal Farm George Orville ค่ะ เ, เกิดขึ้นในฟาร์มแห่งหนึ่งชื่อว่าไร่แมนเนอร์ซึ่งมีนายโจนส์นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มคืนวันหนึ่งหลังจากที่นายโจนส์ลงกรอนประตูล้าวไก่แล้วก็เข้านอนคืนนั้นเขาเมามากจนลืมปิดช่องไก่ลอด คือปกติแล้วจะต้องปิดช่องนี้แต่คืนนั้นเมามากในโจนส์เดินโซซัสโซเซสลัดรองเท้าบูทเอาไว้หน้าประตูหลังบ้านไขก๊อกกรีนเบียรมาดื่มแล้วก็มุ่งไปที่เตียงที่ซึ่งคุณนายโจนส์กำลังนอนกรนอยู่แล้วทันทีที่แสงไฟในห้องนอนของนายโจนส์ดับลง ก็มีเสียงขยับตัวและก็เสียงพึบพับพึบพับไปทั่วโรงนามในบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นที่รับรู้กันว่าท่านผู้พันซึ่งเป็นหมูพ่อพันพันมิดเด w ลไวทที่ได้รับรางวัลจากการประกวดท่านผู้พันฝันประหลาดเมื่อคืนก่อน และก็ต้องการที่จะเล่าความฝันนั้นให้บรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายได้ฟังสัตว์ทั้งหลายก็นัดแนะกันว่าจะมาชุมนุมที่โรงนาใหญ่ทันทีที่พ้นสายตาของนายโจนส์นะคะสำหรับท่านผู้พันธ์หรือที่บางฉบับ ก็ใช้คำว่าเท่าเมเจอร์เป็นที่นับถือของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในฟาร์มค่ะคือเป็นหมูที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวก็พร้อมที่จะยอมสละเวลานอนสักชั่วโมงเพื่อมาฟังว่าท่านผู้พันธ์หรือว่าตาเท่าเมเจอร์เนี่ยมีอะไรจะบอก พันมีอายุสิบสองปีระยะหลังๆนี้นะคะก็เริ่มที่จะอ้วนละคะ่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นหมูที่งามสง่าท่าทางเฉลียวฉลาดและก็ดูใจดีทั้งๆที่ยังมีเขี้ยวไม่นานนักสัตว์อื่นๆก็เดินทางมาถึงพอมาถึงทุกตัวก็หาที่ที่สบายๆเพื่อที่จะนั่งฟัง จริงๆต้องใช้คำว่า น, นอนฟังด้วยนะสัตว์ที่มาถึงก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ ก, ก, ก, ก็คือสุนัขสามตัวที่ชื่อว่าบรูเบลเจสซี่และก็พินเชอร์จากนั้นก็เป็นพวกหมูไก่นกพิราบแกะและวัวนะคะม้าลากเกวียน สำหรับม้าลากเกวียนมีสองตัวค่ะชีบ็อกเซอร์แล้วก็โคเวอร์โคเวอร์เป็นแม่ม้าร่างทวมไหวใกล้จะเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะคะส่วนบ็อกเซอร์เป็นม้าตัวเบอร์เลอร์เลยสูงเกือบ6ฟุตแข็งแรงมากมีพลังที่เรียกว่าเทียบเท่ากับม้าธรรมดาๆสองตัวรวมกันเลยทีเดียว บ็อกเซอร์ได้รับการยอมรับนับถือจากสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยหนักแน่นคงเส้นคงวาแล้วก็มีพลักกำลังในการทำงานแบบเรียกว่าทำงานหนักได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแรงเยอะนอกจากมา้าก็มีมิเรียลนางแพะขาวและก็มีลาชื่อเบนจามินซึ่งมีอายุมากที่สุดในฟาร์ม เบนจามินเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ร้อนที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นลาที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะเป็นสัตว์ที่แทบจะไม่เคยหัวเราะเลยถ้าถามมันว่าทาไมไม่เคยหัวเราะมันก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าให้หัวเราะเลยแต่ถึงกระนั้นเบนจามินก็มีความพักดีต่อบ็อกเซอร์ สัตว์ทั้งสองมักใช้เวลาวันอาทิตย์ด้วยกันในคอกเล็กๆถัดจากสวนผ ล, ลไม้กินหญ้าเคียงคู่กันโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรกันเลยนอกจากนั้นก็ยังมีลูกเป็ดอีกฝูงหนึ่งซึ่งเพิ่งจะเสียแม่ไปลูกเป็ดฝูงนี้ก็ค่อยๆเดินเรียงหนึ่งเข้ามาในโรงนาส่งเสียงกิบิบๆิบิบเบาๆ แล้วก็เร่ไปทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีเพื่อหาทาเลสักแห่งหนึ่งที่จะไม่โดนเหยียบมีนางมอลลี่ม้าสาวสีขาวสวยแต่ไม่ค่อยฉลาดทำหน้าที่ลากรถม้าสองล้อของนายโจนส์มอลลี่เหยาะย่างเยื้องกลายเข้ามาปากเคี้ยวน้ำตาลก้อนหนึ่งนั่งลงใกล้บริเวณด้านหน้าสุด แล้วก็เริ่มสะบัดขนแผงคอสีขาวอวดโฉมหวังจะเรียกร้องความสนใจให้ใครๆมองดูเส้นริบบิ้นสีแดงที่ผูกเอาไว้กับเปียบนแผงคอสัตว์ตัวสุดท้ายที่เข้ามาก็คือแมวมันกวาดสายตาไปโดยรอบเพื่อมองหาทําเลที่อุ่นที่สุดแต่สุดท้ายก็มาเบียดกาอยู่ระหว่างบ็อกเซอร์แล้วก็โคเวอร์ แล้วก็นอนกลนอย่างมีความสุขตลอดสุนทรพจน์ของท่านผู้พันโดยไม่ได้สนใจสิ่งที่ท่านผู้พันพูดเลยแม้แต่คําเดียวคือพอมาถึงก็หลับเมื่อสัตว์ทุกตัวมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วท่านผู้พันก็เริ่มกระแอมกระไอ้แล้วก็กล่าวว่า ว h ตเซว a ต a ซวัตส์คุกกราชะอิทซา h ิทซาข้าวไ a ท์สาย <what> s <S <a> ทั้งหลายพวกเจ้าคงได้ยินเรื่องความฝันประหลาดของข้าเมื่อคืนก่อนนี้แล้วแต่ข้าจะพูดถึงความฝันที่หลังข้ามีเรื่องอื่นที่อยากจะพูดก่อนถ้าอยากรู้ว่าผู้พัน ซึ่งเป็นหมูอาวุโสฝันว่าอะไรและอยากจะพูดอะไรกับบรรดาสัรพสัตทั้งหลายในฟาร์มปดใจรอช่วงหน้านะคะสักครู่เดียวค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไม้กับ Animal f a r ร์มผลงานของจอร์จออ r w เวลช่วงที่2ของตอนที่1 น, นะคะสำหรับฉบับที่ใช้ในการเล่าให้คุณได้ฟังเป็นฉบับผลงานแปลของคุณบัญชาสวนรนนท์ค่ะสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นนะคะคือเรื่องนี้ก็แปลกันมาหลายสำนวนมากเลยทีเดียว ตั้งแต่ปี2502จนกระทั่งถึงปี2555ก็เป็นวรรณกรรมอมะตะที่ได้รับความนิยมแม้ว่าจะเขียนขึ้นหลาย1ิปีมาแล้วแต่ว่าโครงเรื่องที่เสียดสีเยาะเยะ้ยการเมืองเรื่องของผดเด็จการเรื่องของการกดขี่ข่มเหงกันเองการเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวก็ยังคงปรากฏให้เห็นทุกยุคทุกสมัยแล้วคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังช่วงที่2กันเลยนะคะว่า เหตุผลที่ท่านผู้พันซึ่งเป็นหมูอวุโสเรียกประชุมเหมือนกับว่ามีเรื่องสำคัญจะแจ้งและบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็พากันมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต้องใช้คำนี้เลยนะคะมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากันหมดเลยอันนี้หมายถึงสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะในฟาร์มของไรแมนเนอร์ ท่านผู้พันมีอะไรจะกล่าวกับสัตว์ทั้งหลายเชิญฟังได้เลยค่ะ Animal f a r ม ภูพันธ์ซึ่งเป็นหมูอาวุโสก็บอกว่าสหายเอ้ยข้าไม่รู้ว่าข้าจะได้อยู่กับพวกเจ้าไปอีกกี่เดือนแต่ก่อนที่ข้าจะตายข้ารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ที่ข้ามีให้แก่พวกเจ้าข้ามีชีวิตมานานละมีเวลามากมาให้ครุ่นคิดขณะที่นอนอยู่ตัวเดียวในเล้า จนคิดว่าพอจะพูดได้ว่าข้าเข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตบนโลกนี้ดีพอๆกับสัตว์ตัวใดๆที่ยังมีชีวิตและนี่เป็นเรื่องที่ข้าปรารถนาจะบอกกับพวกเจ้าทุกตัวจากนั้นผู้พันก็บอกว่าชีวิตของพวกมันเนี่ยช่างทุกข์ยากแล้วก็เหนื่อยลำเค็นเหลือเกิน แล้วก็เป็นชีวิตที่แสนสั้นอีกตั้งหากเกิดมามีอาหารกินแค่พอประทังลมหายใจแล้วก็ต้องถูกเคี่ยวเข็นให้ตรากตรำทำงานหนักพอสิ้นประโยชน์ก็ถูกมนุษย์สังหารด้วยความหวดเหี้ยมอมหิตหลังจากอายุได้หนึ่งปีทุกตัวก็ต้องทำงานกันอย่างหนัก ผู้าันบอกว่าไม่มีสัตว์ตัวใดในอังกฤษรู้ว่าความสุขหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจมันคืออะไรไม่มีสัตว์ตัวใดในอังกฤษที่เป็นอิสระชีวิตของสัตว์นั้นมันช่างลำเค็ญแล้วก็เป็นทาสนี่คือความเป็นจริงโดยแท้แต่นี่เป็นเพียงกฎระเบียบของธรรมชาติอย่างนั้นหรือเป็นเพราะว่าผืนแผ่นดินนี้มันกันดาน จนไม่อาจมอบชีวิตที่สุขสบายตามสมควรให้กับผู้อาศัยในแผ่นดินนี้ได้อย่างทวนทั่วหรืออย่างไรกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่รอกสหายเอ้ยพื้นแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์อากาศก็ดีอาหารก็อุดมสมบูรณ์มีเพียงพอแก่สัตว์จำนวนมหาศาลอย่างฟาร์มของเราเนี่ยเพียงแค่แห่งเดียว สามารถจะเลี้ยงม้าได้ตั้งโหลวัวอีก20สิบตัวแกอีกนับร้อยและทุกตัวก็สามารถจะอยู่ได้อย่างสุขสบายและก็มีศักดิ์ศรีแต่ทำไมล่ะทำไมเราจึงยังตกอยู่ในสภาพที่ทุกยากลำเค็นเช่นนี้ก็เพราะผลิตผลแทบทั้งหมดจากหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเราถูกมนุษย์ขโมยไปนั่นเอง นี่แหละคือคำตอบของปัญหาทั้งปวงสรุปได้สั้นๆเพียงคำเดียวว่าคนคนเป็นศัตรูโดยแท้เพียงอย่างเดียวของเราหากำจัดคนไปเสจได้ต้นเหตุอันเป็นรากเหง้าแห่งความหิวโหยและการทำงานหนักของพวกเราก็จะหมดสิ้นไปตลอดการจากนั้นผู้พันก็ประนามบอกว่า มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่บริโภคโดยไม่ผลิตไม่มีน้ำนมให้ไม่วางไข่แล้วก็ไม่มีพละงกำลังอ่อนแอเกินกว่าที่จะลากคันถ่ายคือไม่มีอะไรให้แม้กระทั่งแรงวิ่งก็ไม่เร็วทำอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ถึงกระนั้นคนก็เป็นเจ้าแห่งสรรพสัตว์แล้วก็ใช้สัตว์ทำงาน และก็ตอบแทนสัตว์อย่างน้อยนิดที่สุดเลยคือเอาสัตว์มาใช้งานแล้วก็เลี้ยงสัตว์พอให้มีกินเพียงแค่ประทังชีวิตไม่อดตายส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้กินเองเจ้าพวกวัวเอ้ยเจ้าได้ให้นานมแก่คนไปกี่พันแกันลอนแล้วเมื่อปีกลายแล้วนานมที่เจ้าควรจะใช้เอาไว้เลี้ยงลูกของพวกเจ้าให้แข็งแรงนั้นหายไปไหนซะล่ะ ทุกยาดยศไล่ลงคอศัตรูของเราไปจนหมดสิน้นอ่ะและเจ้าพวกไก่ละ่ะวางไข่ไปกี่ฟองละ่ะเมื่อปีกลายเนี้ยแล้วมีสักกี่ฟองที่ได้ฟักเป็นลูกไก่ที่เหลือเขาก็เอาไปส่งขายที่ตลาดแลกเป็นเงินสำหรับนายแล้วก็คุณนายโจนส์กับสมุนที่เหลือเขาก็เอาไปส่งขายที่ตลาดเพื่อแลกเป็นเงินอ่ะและเจ้าละ่ะโคเวอร์ ลูกม้าสี่ตัวของเจ้าซึ่งน่าจะเป็นที่พึ่งพิงและก็เป็นความสุขใจแก่เจ้าในยามชาราตอนนี้ไปอยู่เสีที่ไหนล่ะฮะ้แต่ละตัวถูกขายไปเมื่ออายุหนึ่งขวบเจ้าจะไม่มีวันได้พบลูกๆอีกแม้แต่ตัวเดียวเจ้าเคยได้อะไรตอบแทนการอุ้มท้องสี่ครั้งและการทำงานหนักในไร่นาบ้างนอกจากอาหารพอประทังชีวิตแลวก็เครให้อยู่อาศัย จาดูสิทั้งๆ ท, ที่ชีวิตของพวกเราก็แสนจะทุกข์ยากลำบากอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ยอมให้พวกเราสิ้นอายุไขไปตามธรรมชาติข้าไม่บนอะไรหรอะเพราะนวะขาข้ายังอยู่ในพวกที่โชคดีข้าอายุ12ปีแล้วมีลูกมากว่า400ตัวชีวิตของหมูก็เป็นแบบนี้แต่ในที่สุด ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดจะพ้นคมมีดอันโหดร้ายไปได้เจ้าหมูหนุ่มสาวที่นั่งอยู่ข้างหน้าพวกเจ้าจะต้องกรีดปร้องสุดชีวิตเมื่อโดนจับขึ้นเคียงภายในหนึ่งปีพวกเราต้องเจอกับความหฤโหดแบบนี้ทุกรายทั้งบัวทั้งหมูทั้งไก่แกะและก็สัตว์ทั้งปวงแม้กระทั่งม้า แล้วก็หมาก็ไม่ได้มีชะตากรรมที่ดีไปกว่า น, นั้นส่วนเจ้าบ็อกเซอร์วันที่กราบเนื้อแข็งแกร่งของเจ้าสิ่งกำลังในโจนส์ก็จะขายเจ้าให้กับคนฆ่าสัตว์เขาก็จะเชื้อขอเจ้าแล้วเอาซากไปต้มเป็นอาหารหมาล่าจริงจอบส่วนพวกหมานั่นละ่ะเมื่อแก่เท่าเขี้ยวร่วงในโจนส์ก็จะโอิอด มาผูกคอทวงน้ำในบอ่อที่ใกล้ที่สุดนี่แหละอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนอีกหรืองไงว่าความทุกข์ในชีวิตของพวกเรามันมาจากการกดขี่ของมนุษย์เพียงกำจัดมนุษย์ไปซักได้ผลิตผลจากแรงงานก็จะกลายเป็นของเราเองเราจะกลับมามั่งมีแล้วก็เป็นอิสระแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกัน ก็จะอย่งางไรซะอีกล่ะเราก็ต้องตรากตรำหามรุ่งหามคำ่ำทุ่มเทกายใจเพื่อที่จะโค่นล้มเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะสิจากนั้นผู้พันก็บอกสัตว์ทั้งหลายว่ามันต้องงานจะก่อการกระบฏแล้วก็ต้องการที่จะให้สัตว์ทั้งปวงเนี่ยช่วยกันก่อการกระบิแม้ว่ามันจะไม่รู้ก็ตามว่าการกระบฏ จะมาถึงเมื่อไหร่อาจจะภายในหนึ่งสัปดาห์หรือว่าในอีกร้อยปีแต่มันก็มีความหวังว่าในไม่ช้าความยุติธรรมจะต้องบังเกิดจงคอยดูไปเถอะสหายในช่วยชีวิตที่เหลือของพวกเจ้าและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเจ้าจงนำสารของข้าไปบอกต่อให้กับผู้ที่จะมาสู่โลกนี้หลังจากเจ้า เผือที่สัตว์รุ่นหลังจะได้ต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะแล้วก็จำมาไว้ล่ะว่าเจ้าจะต้องไม่ลดละความมุ่งมั่นการโต้แย้งใดๆจะต้องไม่ชักจูงเจ้าให้ไขว้ขวยอย่าได้ฟังเมื่อเขาบอกเจ้าว่าคนและสัตว์มีผลประโยชน์ร่วมกันบอกก็ความมั่นคงของฝ่ายหนึ่ง ก็คือความมั่งคั่งของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพคนย่อมไม่มุ่งสนองผลประโยชน์ของใครนอกจากตัวของตนเองขอให้พวกเจ้าจงรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสหายร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ดิ้นรนนี้มนุษย์คือศัตรูสัตว์ท่องปวงคือสหายมาถึงตอนนี้ ก็มีเสียงอื้ออึงหนูตัวใหญ่สี่ตัวโผลออกมาจากกรูมานั่งชูขาหน้าฟังผู้พันพอพวกสุนัขหรือหมาเหลือไปเห็นหนูหนูก็ตกใจรีบเพ่นกลับลงรูเกือบตายไปแล้วไหมละ่ะผู้พันยกกีบตีหน้าชูเป็นสัญญาณให้สัตว์ทุกตัวเงียบนะคะนี่ต้องนึกภาพตามไปด้วยสาหายทั้งหลายมีอยู่ประเด็นหนึ่ง เราจะต้องตกลงกันสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นพวกหนูและกระต่ายนั้นเราจะถือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูขอให้เรามาลงคะแนนเสียงกันเถอะข้าขอเสนอคําถามนี้ต่อที่ประชุมว่าหนูเป็นสหายของเราหรือไม่โอ้โหมีการลงคะแนนเสียงกันทันทีนะคะแล้วก็ตกลงตามเสียงส่วนใหญ่ที่มีจํานวนมากกว่าอย่างท่วมท้นว่าหนูเป็นสหายคะ่ะ ยอมรับนะว่าอาจเป็นเพื่อนกันพวกเดียวกันผู้ที่มีความเห็นแตกต่างมีเพียงสี่เสียงก็คือสุนัข3ตัวและก็แมว1ตัวซึ่งต่อมาในภายหลังจับได้ว่าแมวออกเสียงสนับสนุนทั้งสองฝ่ายเอ่ยยังไงกันผู้พันก็เลยพูดต่อไปว่าเขายังมีเรื่องที่จะต้องพูดอีกเล็กน้อยแล้วก็ขอย้ำให้สัตว์ทุกตัวจำเอาไว้เสมอเลย ว่าหน้าที่ของสัตว์ทุกตัวก็คือเป็นศัตรูกับคนแล้วก็บอกสโลกแกนไปนะคะว่าอะไรก็ตามที่เดินสองขานั่นคือศัตรูสิ่งที่เดินสี่ขาหรือว่ามีปีกอันนี้คือเพื่อนแล้วก็ให้จำเอาไว้ว่าในการต่อสู้กับคนจะต้องไม่เป็นเหมือนคนและเมื่อปราบคนได้แล้ว ก็อย่าเอานิสัยชั่วๆแบบคนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินะสัตว์ทั้งหลายต้องไม่พักอาศัยในบ้านไม่นอนเตียงไม่สวมเสื้อผ้าไม่ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่ไม่แต่ต้องเงินทองหรือว่าทำการค้าขายนิสัยอะไรทั้งปวงของมนุษย์ที่ว่าเลวร้ายสัตว์จะต้องไม่ทําคือไม่ชอบก็ไม่ต้องทาและสัตว์ทั้งหลายจะต้องไม่กดขี่ข่มเหงสัตว์ด้วยกันเองไม่ว่าจะอ่อนแอหรือว่าแข็งแรง ฉลาดหรือว่าโง้เราลวดเป็นพี่น้องกันสัตว์จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกันสัตว์ทั้งปวงต้องเสมอภาคกันจากนั้นผู้พันก็บอกว่าข้าจะบอกเจ้าถึงความฝันของข้าเมื่อคืนวานจริงๆข้าก็ไม่อาจจะพัฒ น, นาความฝันของข้าให้เจ้าฟังได้หรอก เป็นความฝันถึงโลกนี้อย่างที่มันจะเป็นเมื่อคนสูญสิ้นเผาพันไปแต่มันก็เตือนใจข้าถึงเรื่องหนึ่งที่ข้าลืมไปนานแล้วเมื่อหลายปีก่อนเมื่อตอนที่ข้ายังเป็นลูกหมูแม่ของข้าและก็แม่หมูตัวอื่นๆเคยร้องเพลงเก่าแก่เพลงหนึ่งซึ่งพวกแกจำกันได้แต่เพียงทํานองและก็เนื้อร้องสามคแรก ข้าเดี๋ยวรู้ทำนองเพลงนั้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ลืมไปตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้มันได้หวนคืนมาสู่ข้าในความฝันยิ่งกว่านั้นเนื้อร้องก็ยังหวนคืนกลับมาด้วย คือถ้อยคำที่ค้ามั่นใจว่าสัตว์ทั้งหลายสมัยก่อนคงจะใช้ขับร้องแต่ได้ลืมมันไปแล้วเอาล่ะข้าจะร้องเพลงนี้ให้พวกเจ้าฟังสหายเอ้ยข้าชราแล้วเสียงก็แหบแห้งแต่เมื่อข้าสอนเพลงนี้ให้พวกเจ้าคงจะขับร้องได้ไพเราะกว่าเพลงนี้ชื่อว่าสัตว์แห่งอังกฤษ ผูผ่านก็แกระแอมกระไอและก็เริ่มขับร้องนะคะซึ่งกร้องได้ดีพอใช้ทีเดียวเป็นเพลงที่มีท่วงทํานองเร้าใจกมกึ่งระหว่างเพลงครมันทายแล้วก็ลากูการาชาเพลงที่มันร้องมีเนื้อหาว่าสัตว์แห่งอังกฤษสัตว์แห่งไอแลนด์สัตว์ทั่วทุกแดน ทุกถิ่นทั้งผองจงฟังข้าเล่าข่าวดีสมปองอนาคตเบืองรองสิ้นทุกสุขสรรวันนั้นจะมาไม่เร็วก็ช้าคนผู้บีทาจากถูกโคน่นพลันไรนาอุดมทั่วอังกฤษนั้นสัมสัตต์ ร, ร่วมกันเข้าครองแดนดินห่วงสนตะพายหายจากจมูกแอกอานที่ผูกปลดลงจากหลังถอดบังเหียนปาก โดยเหล็กสนิมกลังแท้โหดตวัดดังสิ้นพลังสิ้นแรงมั่งคั่งมากลน้นพ้นจิตคเนสาลีบาเล่ข้าวโอ๊ตหญ้าแห้งโควเวอร์และถั่วหัวแมนจนแดงจักเป็นสิทธิ์แห่งเราในวันชัยไร่นาอังกฤษรุ่งร้องพองผาดสายน้ำสะอาดยิ่งแลดูใส สายลมพัดเพลินยิ่งชวนชื่นใจเมื่อถึงวันใดที่มีอิสระเผื่อวันนั้นเราทนยากตรากตรำพรีชีพเบิกนํำก่อนรุ่งที่ว่าห่านและไก่งวงสัมสัตโคม้าสู้เพื่ออิสระเสรีคันลองสัตว์แห่งอังกฤษสัตว์แห่งไอแลนด์สัตว์ทั่วทุกแดนทุกถิ่นทั้งผอง จงฟังข้าเล่าข่าวดีสมปองอนาคตเรืองรองสิ้นทุกสุขสันมีเพลงปลุกใจด้วยนะคะการขับร้องเพลงนี้ค่ะทาให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายตื่นเต้นคลุ้มครางระงับอารมณ์ไม่อยู่กันเลยทีเดียวและเมือ่อผู้พันร้องเพลงใกล้จะถึงท่อนจบสัตว์ก็พากันร้องเพลงนี้แม้กระทั่งสัตว์ที่เรียกว่าโง่ที่สุดสมองกลวงที่สุด ก็ยังจับทำนองและก็เนื้อร้องได้บางคำตัวที่ฉลาดอย่างเช่นหมูกับหมาก็สามารถจำขึ้นใจได้ทั้งเพลงภายในเวลาไม่กี่นาทีและหลังจากนั้นนะคะสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มก็พากันร้องเพลงสัตว์แห่งอังกฤษได้อย่างพร้อมเพรียงเสียงสนัน่นต่างร้องด้วยเสียงตามธรรมชาติของตนบัว ร, ร้องเสียงครวนทุม้ม สุนักถอนเสียงโหยหวนแกะร้องเสียงแหลมมาร้องฮี้ๆี้เป็ดร้องกาบกาบต่างชอบใจถึงเพลงนี้ถึงกับต้องร้องซ้ำๆติดต่อกันติดต่อกันถึงห้าเที่ยวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อาจจะร้องต่อไปทั้งคืนถ้าหากไม่ถูกขัดจังหวะซะก่อนที่ขัดจังหวะเป็นเพราะว่าคืนนั้นโชคร้ายมีเสียงอึกทึกขึ้นมาทาให้ในโจนส ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยตื่นขึ้นเขาลุกพรจจุ่จากที่นอนมั่นใจว่ามีสุนัขจิ้งจอกมาป้วนเปี้ยนในสนามก็คว้าปืนแล้วก็ยิงกระสุนเบอร์หกหนะึ่งนัดเข้าใส่ความมืดลูกกระสุนไปฝังที่ฝาผนังโรงนาการประชุมของบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงต้องยุติลงด้วยความแตกตื่นลนลานแต่ละตัวกะเจอรกระเจิงสู่ที่นอนของตนสัตว์ปีกโผขึ้นเกาะคอสัตว์อื่น ก็ลงนอนบนกองฟางแล้วเพียงครู่เดียวสัตว์ทั้งฟาร์มก็หลับปุ๋ยไปตามๆกันและแล้วสามคืนต่อมาผู้พันก็ตายอย่างสงบระหว่างนอนหลับร่างของผู้พันถูกนำไปฝังเอาไว้ที่ชายสวน นั่นคือช่วงต้นเดือนมีนาคมในระยะ3เดือนต่อจากนั้นมีกิจกรรมลั์มากมายสุนทรพจน์ของผู้พันธ์ทำให้สัตว์ที่ฉลาดกว่าเพื่อนในฟาร์มมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตพวกมันไม่รู้ว่าการก่อกระบ ท, ที่ผู้พันทานายไว้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลให้ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วชีวิตของพวกมัน แต่พวกสัตว์ก็เห็นได้ชัดเจนว่าตนมีหน้าที่แพ้วถางเพื่อการนั้นงานสอนและจัดองค์กรให้แก่สัตว์ตัวอื่นๆตกเป็นของพวกหมูไปโดยปริยายเพราะว่าหมูได้รับความนับถือจากสัตว์โดยทั่วไปว่าฉลาดที่สุดหมูพ่อพันธุ์ที่โดดเด่นกว่าเพื่อนมีสองตัวเป็นหมูหนุ่มชื่อว่าสโนว์บอลกับนโปเลียน สองตัวนี้แหละค่ะจะกลายมาเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องนะคะสโนโบอลกับเนบโปเลียนเป็นหมูที่ในโจรสใช้เพาะพันธุ์เพื่อขายเนโปเลียนเป็นหมูตัวผู้พันธุ์บาร์เชียเป็นหมูพันธุ์บาร์เชียตัวเดียวในฟาร์มสโนโบอลไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเอง เป็นหมูที่ร่าเริงคึกคักยิ่งกว่านโปเลียนพูดจาคล่องแคล่วกว่าแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าแต่เห็นกันว่าไม่ลุ่มลึกเหมือนกับนบโปเลียนนะคะคือเจ้าสโนบอลเนี่ยสโนบอลนี่ร่าเริงส่วนนโปเลียนค่อนข้างจะเงียบๆกว่านะ หมูตัวผู้อื่นๆในฟาร์มเป็นเรียกว่าเป็นสุกรขุนตัวที่เป็นที่รู้จักดีกว่าใครเป็นหมูอ้วนตัวเล็กชื่อว่า s ค r e ล l e r ไอเจ้า s ควิล l e r นี่ก็เป็นหมูที่แบบคล่องแคล่วว่องไวเสียงแหลมเล็กเป็นนักพูดตัวยงเลย เวลาตัวแย้งประเด็นยากๆบางประเด็นมันมักขยับกายเปลี่ยนน้ำหนักตัวจากข้างหนึ่งมาอีกข้างหนึ่งแล้วก็แกว่งหางไปมาซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจได้อย่างประหลาดสัตว์ตัวอื่นบอกว่าเจ้า s q u i เล e รเนี่ยสามารถจะพลิกดำกลายเป็นขาวได้เลยทีเดียวนะแล้วก็หมู3มตัวนี้ได้พัฒนาคำสั่งสอนของผู้พันขึ้นเป็นประบบความคิดที่สมบูรณ์และพวกมันก็ให้ชื่อว่า สัตว์วริยมหลายคืนในแต่ละสัปดาห์หลังจากที่นายโจนเจ้าของฟาร์มหลับเรียบร้อยแล้วไอหมูสามตัวนี้ก็จะมาประชุมรับกันในโรงนาแจ้งจอธิบายหลักสัตวนิยมให้สัตว์ตัวอื่นๆได้ฟังตอนแรกก็ไม่ค่อยมีการตอบรับเท่าไหร่ สัตว์บางตัวพูดถึงหน้าที่ที่ต้องจงรักภักดีต่อในโจนส์ซึ่งพวกมันเรียกว่าเจ้านายหรือตั้งข้อสังเกตพื้นพื้นเช่นในโจนส์ให้อาหารเรากินถ้าไม่มีเขาเราก็ต้องอดตายบางตัวก็ตั้งคำถามต่างๆเช่นเราจะสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเราตายแล้วไปทำไมหรือถ้าการกรบฏนี้จะต้องเกิดขึ้นวันหนึ่งค แล้วการที่เราจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ทำจะมีผลแตกต่างกันอย่างไร oh <my> darling, พวกหมูจึงพยายามที่จะทำให้สัตว์ต่างๆ <c oughs> เห็นว่าความคิดเหล่านั้นตรงข้ามกับเจตนารม์ของลัทธิสัตวนิญญาสำหรับ <c oughs> สัตว์ที่ตั้งคำถามได้ยี่ง้ง่ที่สุดคือเจ้ามอลลี่แ <c oughs> มาสาวสีขาวซึ่งถามสโนอบอร์ว่าเมื่อ <c oughs> การก่อการกรบฏจบลงแล้ว เราจะยังมีน้ําตาลกินกันอยู่อีกไหมจ้าไม่มีเราไม่มีวิธีผลิตน้ําตาลได้ที่ฟาร์มนี้และนอกจากนั้นเจ้าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาน้ําตาลเ mm hmm. จ้าจะมีข้าวโอ๊ตและก็หญ้าแห้งให้กินเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการ mm hmm. แล้วฉันจะยังมีริฟตบินผูกที่ขนแผงคออีกหรือเปล่าจ้า ริบบิ้นที่จะปราปลื้มนักหนานั่นน่ะมันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นทาสจะไม่เข้าใจรึไงเบเซรีภาพอะ่ะมีค่ามากกว่าริบบิน้นมอนลี่ฟังแล้วไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็จำใจจะต้องเห็นด้วยนี่คือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆในฟาร์มของนายโจนส์นะคะที่ชื่อว่าไรแมนเนอร์ เรื่องราวของฟาร์มสัตว์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อไปตอนหน้านะคะตอนที่สองของ Animal Farm มกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน